ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประวัติพระโมคคัลลานะเทร ะ, ก, ะก่อนมาจบที่เนื้อหาของพระสูตรแต่ว่าในพระสูตรนั้นยังมีประเด็นที่พระอาจารย์ท่าน อธิบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาพระสุขประการแรกคือการที่พระโมคขาลานะโงกง่วงอยู่นั้นเหตุผลก็เพราะว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดวันเนี่ยท่นานใช้เดียบทไปในการเดินการยืนการนั่ง การ น, นอนมีน้อยเพราะว่าเจริญกรรมฐานตลอดระยะเวลาเจ็ดวันร่างกายก็ทนไม่ได้มันอ่อนเพลี ย, ยแรงเป็นปกติธรรมดาเพราะนก็บีบคั้นมากจึงนั่งง่วงง่วงอยู่ข้างที่จงกรม เพราะการง่วงมันก็มีเหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่ง่วงเป็นปกตินิสัยนะแต่วง่วงเพราะว่าเหนื่อยมากเกินไปประการหนึ่งก็คือในข้อที่ทรงแสดงอุบายวิธีแก้ง่วงในหลายๆายประเด็นคือบางประเด็นมันมันง่าย แต่ว่าบางประเด็นนั้นท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเช่นว่าการเอาน้าล้างหน้าเอามือรูปตัวแล้วก็แงนดูทิศทั้งหลายท่านก็นำมาอธิบายประการต่อไปก็คืออโล ก, กัสัญญาการทํากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืน คือกำหนดได้เห็นว่าเป็นแสงสว่างโดยใจความก็คือว่าให้ตั้งความสําคัญว่าสว่างในกลางวันชั้นใดก็ตั้งความสําคัญว่าสว่างในกลางคืนฉะ น, นั้นแม้ในกลางคืนก็ชิดคิดเช่นเดียวกันให้เธอตั้งความสําคัญว่าสว่างในกลางคืนชั้นใด ตั้งความสําคัญว่าสว่างนั้นแม้ในกลางวันฉะนั้นคือหมายความว่าจะกลางคืนหรือกลางวันก็คิดว่าเป็นกลางวันก็อะไรกันเลยรับสั่งว่าเธอพึงให้จิตเป็นไปพร้อมกับแสงสว่างหมายความให้จิตจดจ่ออยู่กับแสงสว่างเพื่อประโยชน์แก่อะไรเพื่อประโยชน์แก่ทิฏฐิจักสุ ญ, ญาณในโอกาสต่อไป เพราะว่าโลกสัญญานั้นมันเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้บรรลุทิปยโศบรรลุทิปเนตรก็หูทิพความว่าผู้มีสัญญาด้วยสำคัญอันนำไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็โดยอินทรีย์ทั้งห้าอันไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก ทนอินรีนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้สายไปในข้างนอกเอาตาหูจมูกลิ้นกายก่อนคือไม่ให้สายไปข้างนอกเมื่อพวกนี้ไม่รับอารมณ์ข้างนอกใจก็สงบมาความอินทรีย์คือใจก็อนมันอินซีอินทรีย์คือใจก็สงบ อกประการเดิงอินทรนั้นอาจจะหมายถึงสธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่จะต้องทำงานประสานกันตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติถ้าคนใดคนหนึ่งมันหย่อนไปเช่นว่าสทธาย่อนไปความเพียรหย่อนไปสติหย่อนไปสมาธิหย่อนไปหรือปัญญาหย่อนไป ใจก็จะไม่ก้าวเดินไปในทางที่ถูกที่ควรเพราะนั้ในประเด็นที่ว่าอังความคุ้งสั้นไปในภายนอกอันเข้ามาตั้งอยู่ในภายในเท่านั้นมิธัสุขขังคือสุขที่เกิดขึ้นจากการนอนนอนหลับ นี่ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงกรรมาฐานเครื่องบรรเทาความง่วงแก่พระเทระประการต่อไปก็คือเรื่องชูง่วงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลบทนี้ท่านใช้คำว่ามานะในบทว่า กรรมที่ตนจะพึงทำแน่แท้กิจกรรมที่เป็นหน้าที่ทั้งหลายส่วนกิจนองนี้ชื่อว่ากรณียกิจคือกิจควรทำทั้งหลายและแก่ความเป็นผู้ร้ายอำนาจความโทมนัสความเสียใจพระาศาสดาสัตวภิกขาจารวัดแก่พระเทระคือวัดในการเชี่ยวประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ได้เที่ยวบินธบัต โดยฐานะมีประมาณเท่านี้แล้วก็เพื่อจะทรงชักจูงกันให้สิ้นสุดพระองค์จึงสัตว์คำว่าแต่สมาติหัประเหตุนั่นแหละคือมีถ้อยคำมันเป็นเหตุให้ถือออาผิดเป็นต้นว่าท่านย่อมไม่รู้ธรรมและวินัยเพื่อลาเว้นในเรื่องที่ควรลาเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแล้วเว้นการคลุกคลีกับมิตรชั่วมิชฉ ua ก็คือมิตรที่ไม่มีความรักใครมิจที่ไม่แนะนําในทางที่เป็นประโยชน์มิตรที่มีจิตไม่คิดอนุเคราะห์แล้วก็มิตรที่ไม่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วข้อที่ว่า ด้วยข้อปฏิบัติใดหนอระะพระภิกษุชื่อว่าตันหาสังขยาวิมุตตคือหลุดพ้นจากอำนาจของตันหาเพราะเป็นผู้บิจิตน้อมไปในปณิพานอันเป็นที่สิ้นตันหาตัวการทำนิพานนั้นนั่นแหละให้เป็นอารมณ์พระเทร่ากราบทูลถามว่า โดยข้อปฏิบัติเท่าไรภิกษุย่อมชื่อว่าตัณหาสังขยะมิมุตตคือจิตหลุดพ้นด้วยอำนาจของตัณหาก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงข้อนั้นที่เป็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้นของภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ความเป็นในส่วนต่าง เราคือความสิ้นไปเพราะความเสื่อมไปภิษูชื่อว่ามีความสำเร็จร่วงส่วนเพราะนั่นคำว่าความสำเร็จร่วงส่วนที่ได้พูดไว้ในวันก่อนเนี่ยคือบาลีท่านใช้คำว่าอ จ, จันตะนิโธนิโธก็คือแปล ว, ว่าความ สลายไปความหมดไปคือมีความสมเอตโดยส่วนเดียวมีความสมเอตติดต่อกันแล้วก็มีธรรมกเกษมจากโยคะคือปลอดจากโยคะคือปลอดจากกางปลอดจากภพปลอดจากทิฏฐิปลอดจากอวิชชาในความกิเลสหมดไปจากกิตใจนั่นเอง มีทมเป็นที่เกษมจากโยคะเป็นนิตคือตลอดไปนะครับทีนี้คำว่าเป็นธรรมจารีร่วงส่วนเนี่ยหมายความว่าเป็นธรรมจารีอยู่ตลอดตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วก็มีที่สุดร่วงส่วนก็คือจบสิ้นภารกิจตลอดตลอดไป ที่ว่าประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระมหาโมคคลานะทูลว่าภิกษุชื่อว่าเห็นปานนี้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงใดขอพระองค์ได้โปรดทรงแสดงสมรับภิกษุนั้นโดยยออ่อพูุทธเจ้าก็รับสั่งว่าสเบ ธ, ธรมรมานารังบินเวสยัยยะ ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทีนี้พอทำทั้งปวงเนี่ยคือวันก่อนที่อธิบายเนี่ยอธิบายโดยสรุปนะครับเพราะว่าถ้าจะเอามาหมดมันก็ต้องเอามาหมดหมายความมาขันห้าอายตนะสิบสองาสิบแปดอินทรีย์ยีิบสองอินทรีย์นั้นบางอย่างก็ต้อง ต้องเจริญนะฮะ บ, บางอย่างก็ต้องเจริญเพราะงั้นท่านท่านก็เอาขันห้ายัตตนาสิกัา18สากแปดนห้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนาสิองก็คืออายตนาภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนาภายนอกหก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณ ธ, ธรรมารมธาตุสิปดเนี่ยที่จริงก็คืออายตนา12แต่ว่ามันไปเพิ่มวิญญาณ เรเรียกเต็มๆว่าจักขวิญญาณธาตุโสตะวิญญาณคาถาธ า, าตุคานะวิญญาณธาตุจิวห้าวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุรวมแล้วว่าอายตนะภายในภายในหภายนอกโควิญญาณหก็รวมแล้วก็เป็น 18. ทั้งทั้งหมดนั้นไม่ควรคือไม่ถูกไม่ชอบไม่เหมาะ ที่จะยึดมั่นด้วยอํานาจของตัณหาและทิฏฐิตอนนี้ไม่ได้พูดถึงมานะแต่เข้าใจว่าต้องเข้าใจว่ามีมานะอยู่ด้วยเพราะว่ากิเลสประเภทนี้เขาเกี่ยวเนื่องถึงกันนะฮะตัณหาก็คือจะเน้นไปที่การ ม, มาตัณหากับภวะตัณหาเพราะว่าใจมันไ ข, ขว่คว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็น แล้วก็บางครั้งก็เป็นวิภวัตนาคือใจมันไ ข, ขว่คว้าไปในเพื่อไม่ได้ไม่มีไม่เป็นทิฏฐินั้นเป็นความเห็นในในขันห้านะสรุปแล้วในกันห้าคือโดยโดยไปเห็นขันห้าแต่ละข้อเนี่ยเช่นรูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูป รวมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างละสี่ก็สี่ห้าก็เป็นยี่สิบเป็นสักกายะทิฏฐิ 4, คือความเห็นเป็นตัวเป็นตนในยี่สิกรณีด้วยกันมันก็คลุมครอบจั ก, กรวาลไปแล้วโยเวณนิพานนะยเว้นิพานมันก็ครอบไปหมดแล้วเพราะไรเพราะทำจึงไม่ควรถือมัน่น พระทามเหล่านั้นไม่ตั้งอยู่โดยอาการที่จะยึดถือไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บรนดับไปมันตกอยู่ในกฎของปัตติลักมันถือไม่ได้สักเรื่องห น, นึแล้วในสุดก็สลายไปหมดที่จริงแล้วขันห้าญาตนาสิบสองธาติสิบแปดดินสียี่สิบสองก็คือชีวิตเรานี่แหละชีวิตเราพอตายมันก็สลายไปหมด เพียงแต่ว่าถ้ายังมีกิเลสยังมีกรรมอยู่ก็ไปสร้างปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาก็ไปเกิดใหม่ตามสมควรแก่กรรมแต่ถ้าดับวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับวิชากับสังขาร น, น่ไม่ต้องพูดถึงวิญญาณแล้วแล้วก็ชื่อว่าหมดไปยึดถือไว้มันก็ยึดถือไม่ได้ มันก็ทำนองคล้ายๆกับเราเอาน้ำแข็งก้อนหนึ่งแล้วก็หิ้วไปไปบ้านเดินทางหลายชั่วโมงเอาใส่รถก็ได้นะฮะใส่รถไปก็ได้หิว้วเอาแขวนไว้ในรถพาไปก็อย่างนั้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะกว่าจะถึงบ้านก็ละลายหมดพอดีเลย ไม่มีความเป็นน้ําแข็งเหลืออยู่แม้แต่น้ำธรรมดาที่มันหยดลงมันก็อาจจะแห้งไปแล้วโดวยซ้าไปผลสังขารร่างกายเองมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านกล่าวว่าจริงอยู่ทำเหล่านั้นแม้ตนจะยึดถือเอาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นอัตตา ก็ย่ำสำเร็จผลว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือหมายความมาเราถือนั้นเราถืออย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นของมันนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งถต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะถือไหมก็อยากจะถือก็ถือไปแต่พระพุทธศาสนาสแสดงความจริงให้ทราบว่าถึงถือก็เหมือนไม่ถือนั่นแหละเพราะในสุดเราก็ถืออะไรไว้ไม่ได้ ยังกำกรอนที่เคยยกมาหลายครั้งแล้วนะฮะบอกว่ายศเ ล, ยล่าผาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้บวงชนแม่ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าต่สุขสนุกชะไหจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไร แล้วก็ไปมือเปล่ า, าเหมือนจามานั่นคือความจริงในขณะที่เรามีชีวิตเราก็ยึดถืออะไรเย อ, อะเลยของเราของเราเป็นเราเป็นเราในยยาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็จริงมันข้อถืออะไรไม่ได้เฟรดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสัตว์ว่าไม่ควรถือมันคำว่า ความรู้ยิ่งคือรู้ด้วยญาตปริญญาญาตปริญญาก็รู้อย่างเนี้ยนะรู้ว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณอายตนาสิบสองก็คือรูปสิ่งกิริยผลพระธรรมารมตาหูจมุลิยใจไอ้นี้เขาเรียกว่าญาตปริญญาคือรู้ด้วยการศึกษาเรียนโดยการอ่านโดยการฟังโดยการสนทนาโดยการแลกเปลี่ยนกัน มันก็เป็นพื้นฐานระดับหนึ่งเราก็เรียนนะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทมทั้งหลายทั้งปวงเป็นนาฏตานี่เราเรียนด้วยปริญญาแต่ในขณะเดียวกันมันมีอีกสองปริญญาปริญญานะคือก็เรียกว่าติรนาปริญญาหมายความว่าต้องยกขึ้นมาพิจารณา รูปเนี่ยไม่เที่ยงจริงหรือทำไมจริงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรอะไรคือลักษณะของความไม่เที่ยงอะไรคือลักษณะของความเป็นทุกข์อะไรคือลักษณะของความเป็นอนัตตาคือเป็นความจริงแหละมันก็ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยคือมันซ้ำอยู่งนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้น อย่างคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเกิดต้องตายมันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้พูดเมื่อไร่มันก็มันก็ตรงกันทุกทีเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นนัตตามันก็เป็นอย่างนั้นทุกทีนี้เรายกขึ้นพิจารณาทีนี้การพิจารณาบางทีมันก็เห็นด้วยใจนะ บางทีมันก็เข้าใจเฉยๆทีนี้การคำว้เห็นในความหมายเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าภานาปริญญาปานาปริญญาก็คือละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเหล่านั้นได้ก็ในที่นี้ทรงยกตัวอย่างเวทนาขึ้นมา เรื่องจะมากหรือจะน้อยก็ตามก็ประกอบด้วยปัญจักวิญญาณคือวิญญาณห้าที่ที่เป็นทางให้เกิดให้เกิดเวทนานี่นะพระผู้มีพรภาคเจ้าก็ทรงยักษ์เยื้องด้วยอำนาจของเวทนาจึงการแสดงการกำหนดอรูปธรรมนามธรรมนะเป็นอารมณ์แก่พระเทระ มาถึงจุดหนึ่งที่เป็นอารมณ์กรรมฐานกขเรียกว่าอนิจจานุปัสสีได้แก่พิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็วิราคานุปัสสีคือพิจารณาโดยเห็นด้วยการสำรอกราคากิเลสมันก่อให้เกิดขยาวิราคาความคลายกำหนักระสิสิไป อาจารย์ตากิราค่าความคลายกำนัตเพราะล่วงส่วนหนึ่งในสองอย่างนั้นวิสนานเป็นความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายโดยความสิ้นกว่าดีมักคือความเป็นคือการเห็นความคลายกำนัดล่วงส่วนคือนิพพานโดยความคลายกำนัดก็ดีชื่อว่าวิราคานุปัสสี ตรงนี้แหละที่เวลาท่านนํามาเรียงท่านนามาเรียงเป็นรูปของก็เรียกว่ายานสิบหกหรือโสรสษยานคือยานสิบหกยานสิบกมันก็เริ่มที่วิปัสสนาญาณเก้าหมายความพิจารณาสังขารไม่เท่เป็นทุกเป็นหน้าตานี่แหละ คำว่าวิปัสนาญาณ น, นั้นอาจจะแปลว่าญาณในวิปัสนาญาณที่นับเข้าในวิปัสนาหรือจัดเป็นวิปัสนาคือความรู้ที่ทําให้เกิดความเห็นแจ้งเข้าใจสภาวะสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและจากนั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในนะปัญญามันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นข้อต่อไปท่านเรียกว่าข้อแรกเนะี่ยท่านเรียกว่าอุทยปยาอุปัสนาญาณ ยานอันเป็นความเห็นความเกิดและความดับคือพิจารณาความเกิดขึ้นความดับไปแห่งขันทั้งห้าจนเห็นชัดว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นขันแล้วก็ดับไปล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดอันนี้มองในด้านเกิดขึ้นแล้วก็มองในด้านดับก็เรียกว่าฟังคารุปัสนาญาณ ยานั a n ตามเห็นความสลายคือความเห็นเกิดดับเช่นนั้นแล้วคำหนึง่งเด่นชัดในส่วนดับอันเป็นดุจจุดจบสิน้นก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายล้วนต้องสลายไปทั้งหมดจากนั้นญาเก็ผุดขึ้นไปในใจเห็นไปเรื่องน่ากลัวเรียกว่าพยะตูปัฐานญาน ยานันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวคือพิจารณาเห็นความแตกสลายอันที่ทั่วไปแก่ทุกสิ่งอย่างนั้นแล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นไปในพบใดคติใดก็ปรากฏเป็นของน่ากลัวเพราะล้วนแต่ต้องสลายไม่ปลอดภัยทั้งสิน่น จากนั้นก็มองเห็นโทษเรียกว่าอาทีนวานุปาานัสนาญาณปิยานั้นคำหนึงเห็นโทษคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนต้องแตกสลายไปเป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้วย่อมคำหนึงถึงสังขารตั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษเป็นสิ่งที่มีความบกพร่องจะต้องรักคนอยู่ด้วยทุกจากนั้นก็เกิดเบื่อหน่ายเขาเรียกว่นิพิธานุปาานัสนาญาณ ยานั้นคำหนึงเห็นด้วยความหน่ายคือการพิจารณาเห็นสังขารเป็นโทษเช่นนั้นย่อมเกิดความหน่ายไม่เพลิดเพลินยิน ด, ดีมุนจีตู ก, กรร ม, มยตาญาณตรงนี้ท่านอุปมาคล้ายๆ้กับไปนอนใกล้ศพนะแต่เราไม่รู้เป็นศพหรือว่านอนใกล้กรงเสือใครเอาเราไปนอนไว้ใกล้กรงเสือ ตอนแรกเราไม่รู้อะไรเอาแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาถึงพอเห็นเสือเราก็คิดจะหนีละเราทำยังไงจะให้พ้นไปได้ก็เรียกว่ามุนจิตุกรรมมยตาญาณญาณนั้นคํานึงถึงด้วยใครจะพ้นไปเสียคือเบื่อหน่ายสังขารทั้งหลายย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้นจากนั้นก็เริ่มพิจารณาทาง ก็เรียกว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณญาณนันคำหนึ่งพิจารณาหาทางคือต้องการจะพ้นไปเสียจึงกลรบผันไปยกกสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากำหนดรดยใจลักเพื่อมองหาอุบายที่จะปลดเรื่องออกไปแล้วก็เกิดวางเฉยในสังขารเรียกสังขารุเปคขายาน ยาณนั้นเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขารคือเมื่อพิจารณาสังขารต่อไปก็จะเกิดความเห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริงว่ามีความเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาจึงวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลายแต่นั่นก็มองเห็นนิพพานเป็นสันติบทคือบทแห่งความสงบยาณจริงล่นมุ่งไปยางนิพพาน เลิกแกเกี่ยวเกาะกับสังขารใช้ได้จากนั้นก็เป็นสัจจานุโลมิกยานยานอันเป็นไปโดยอนุโลมแกการอย่างรู้อริยสัจคือวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายไม่พะวงและยานจะเล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้วยานนันคล้อยต่อการสัตส์รุ่ยยศัสตร์ย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไป เป็นชั้นสุดท้ายของวิปาาัสนาญาณต่อจากนั้นก็เกิดโคตรตรพูญาณมาขั้นกลางแล้วเกิดมัคคยาณให้สม็ดความเป็นอริยบุคคลต่อไปนี้ท่านท่านเอามาพูดในประเด็นของวิปาาัสนาญาณแต่ทีนี้ก่อนจะเกิดวิปัสนาญาณเนี่ยที่จริงเขาอยู่ในลําดับที่สถึงที่สิองนะฮะมันมันมันจะมีพิจารณาอย่างอย่างอื่นก่อน เขาเรียกว่านามรูปปริเฉทะยานกำหนดจำแนกรู้นามรูปคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมีรูปและนามแล้วกำหนดได้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามประการต่อไปก็ปัจจะญาปริกหิยานกำหนดรู้ปัจจัยและองค์ประกอบของของรูปนามนะว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไร รูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่กันและกันอาศัยกันโดยรู้ตามแนวของปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับปฏิจจสมุปบาทจากนั้นก็เป็นสมสนญาณญาณกาหนดรู้โดยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยใจลักคือยกรูปและนามทั้งหลายขึ้นพิจารณา โดยเห็นตามลักษณะที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจากนั้นก็เข้าสู่เข้าสู่วิปัสสนาญาณทั้ง9ก้าประการดังกล่าวแล้วแล้วก็ข้อต่อไปก็คือมรรคญาณญาณในรีมรคคือหมายความมาหลังจากผ่านโคตรภูญญาไปแล้วโคตรพูญญานเนี่ยมันอยู่ระหว่าง ปุถุชนกับโจลาปฏิมาเพราะนเมื่อผ่านโคตรตะพูยานไปแล้วก็ยานนี้เขาเรียกว่ายานครอบโคตรคือความอย่างรู้เป็นหัวต่อแห่งการข้ามพ้นภาวะปุถุชนเข้าสู่ภาวะอริยชนจากนั้นก็เป็นมักคยานเข้าสู่มรร คือญาณในริยมักหรือความอย่างรู้ที่สำเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละชั้นแล้วก็ผลญาณก็แล้วแต่ชั้นไหนนะชั้นชั้นคือหมายความว่าทุกญาณเนี่ยที่จริงเขารู้อริยสัจด้วยกันแต่มันก็สว่างน้อยแตกมากน้อยแตกต่างกันพระอระหันนั้นก็เรียกว่าญาณสมบูรณ์คือสว่างเต็มที่ก็ขจัดความมืดคือวิชาออกไปได้หมดสิน้น อย่างรู้เห็นผลสำเร็จของพระยาบุคคลนั้นๆจากนั้นก็ปัจจเบกขณาญาณก็คือพิจารณาอย่างรู้ด้วยพิจารณาทบทวนคือสำรวจรูมักและผลที่ละแล้วก็กิเลสที่เหลืออยู่และนิพพานเว้นแต่พระหานไม่มีการพิจารกกิเลสที่ยังเหลืออยู่อันนี้ก็ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไปสูงนะฮะถึงถึงระดับระดับนิพพานเน่ะเรียกว่ามีนิพพานเป็นที่สุดมีเขาเรียกว่าอะไรมีพระอรหันต์เป็นยอดหมายความแสดงธรรมะจากจากนี้จากจา ก, จากแก้ง่วงไปเรื่อยๆไปจนถึงมีพระนิพพานเป็นยอด ก็ในะมีปรัชนายานนั่นเป็นความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายโดยความสิ้นไปก็ดีมรรคญาณคือการเห็นความคลายกําหนัดล่วงส่วนคือนิพพานโดยความคลายกําหนัดก็ดีการพิจารณานั้นพึงสังเกตว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าเราทรงตอนตรัสรู้นะฮะก็ทรงพิจารณาอยู่ทั้งนั้นพิจารณาปัจจัยาการพิจารณาปัจจัยาการทั้งสายเกิดสายดับแล้วก็เปล่งเป็นพระพุทธอุทาน กระทั้งหมดก็สาครั้งเปลี่ยนภูตุฐานสามครั้งพิจารณาปัจจัยการในีสามรอบแต่ทีนี้การพิจารณาเหล่านี้มันมันถ้าระดับโสดาสกิตาคาราคามันจะมีกิเลสที่เหลืออยู่พิจารณาทั้งกิเลสทีละได้แล้วและกิเลสที่เหลืออยู่คล้ายๆก็เรานับของอ่ะหมายความว่าของที่นับแล้วกับของที่ยังไม่ได้นับเนี่ยดูสิอะไรยังมากกว่ากัน นับมาแล้วเท่าไหร่แล้วต่อไปจะนับไปอีกเท่าไหร่นับไนจุดครบทีนี้อย่างระดับโสดาปฏิปมร์เนี่ยก็เป็นปตราัปฏิผลเลยนะฮทาก็ลสังโยชน์ได้สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิิยาศีลปัตตปรมามะก็แสดงว่าที่ยังละไม่ได้เนี่ยมีอยู่เจ็ดข้อเดยกันคือการมราคาปฏิฆารูปปราคารูปปราคะมานะอุตจวิชา พอมาถึงส ก, กักธกามีมากก็พิจารณาว่าไอ้กิเลสมันลดลงคือราคะโทษสามโมหะนี่มันลดลงแต่พอถึงราณาคาเนี่ยมันก็เกิดละได้อีกสองก็คือกา ร, รมราคะกับปฏิฆะก็รวมแล้วก็เป็นห้าเหลืออยู่ข้าราชอี ก, อ, กอีกห้าข้อก็คือรูปราคะรูปราคะมานะอุทธะอวิชชา ก้าวควาเป็นเพียร เ, เป็นพระอระหันต์พอพระอระหันต์นี่ที่เรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีวันการพิจารณาเห็นโดยความคลายกาหนัดบุคคลผู้ร่างพร้อมด้วยวิราคัธรรมวิราคัธรรมคือธรรมที่สำรอกราคะออกไปจากจิตใจ บางทีหมายถึงเหตุบางทีหมายถึงผลนะฮะบางทีก็หมายถึงตัวนิพพานเลยวิรากโกเศธถโวธรรมนังนี่หมายถึงตัวนิพพานเลยนี่เรียกว่าวิราคานุปษษัสสีผู้ตามเห็นความคลายกำหนัดหมายความว่าคลายกำหนัดไปแล้วแล้วก็ตามดูจิตวาเออมันคลายกำหนัดจริงพอคลายกาหนัดจริงมันก็ดูตรงอื่นอีก เพราะว่าไอ้คลายกำหนัดนั้นมันอยู่ระดับปนาคาตานั้นเ ق. องปนาคานั้นที่จริงก็หมดนะมันก็เริ่มคลายกำหนัดมาตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่ส ก, กิตาคาที่จริงพระโสดาบันก็คลายกำหนัดไปเยอะแล้วเพียงแต่ท่านยังมีครอบครัวได้ตานั้นเองแต่ก็ไม่ประพฤติผิดในสี่ข้อการเมียคือหมายความไม่ผิดไม่ประพฤติผิดในสีหประการ พระผู้มีพระธเจ้าทรงหมายถึงวิราคานั้นยิ่งสัตว์ว่าวิราคานุปัสสีหมายความมาบุคคลพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดที่เกิดขึ้นภายในจิตพึงสังเกตว่าการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นจิตดูจิตจิตรู้ด้วยจิตแล้วก็ถ้าเห็นมันมันลดมันก็ลดที่จิตถ้าไม่ลดมันก็ไม่ลดที่จิต แต่เวลาเราดูเนี่ยมันก็มีทั้งลดทั้งเพิ่มหมายความมาส่วนของสมุทัยก็ลดส่วนทุกก็ลดส่วนมากก็เพิ่มส่วนนิโรธก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นทั้งสองอย่าง เ, าเห็นทั้งฝ่ายทีละแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ละนั้นก็หมายถึงกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองในด้านที่มีแล้วและยังไม่มี หมาว่ามันเช่นนระสดาบันเนี่ศีลท่านสมบูรณ์สมาธิท่านพอประมาณปัญญาท่านพอประมาณพอมาถึงพระสักระตคามีก็ศีลก็ยังสมบูรณ์ราคะโทสะโมหัลดลงแต่ยังไม่หมดอะ่ะพอมาถึงพระนาคามีศีล ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์เรามองจากด้านนี้ก็ได้ เรามองจากด้านนี้ก็ได้ด้านด้านเพิ่มของมร ก, กับนิโรธอ่ะหรือมองด้านลบก็ได้ด้านบวกก็ได้เหมือนกันนั่นแหละหมายความว่าถ้าบวกหมดก็แสดงว่าลบหมดอ่าถ้าลบยังเหลือก็แสดงว่าบวกไปเท่าไหร่แล้วบวกไปเท่าไหร่แล้วก็บวกต่อไอ้บวกมันก็ทำลายลบไปเรื่อยๆจนถึงในที่สุดไอ้ขวายลบก็หมด ไปบว ก, ก็สมบูรณ์เลยข้อหนึ่งก็คือคําว่านิโรธาอนุปัติสีนี้เป็นวยพจน์ของนิพพานนะนิโรธเนี่เป็นวายพจน์ของนิพพานก็สรงเพิ่มขึ้นมาก็นัยยะมันก็เหมือนกันความเป็นนิโรธความดับก็มีอยู่สองเหมือนกันคือขยะนิโรธความดับเพราะสิ้นไปอ จ, จัญตะนิโรธความดับ ล่วงส่วนคือความดับหมดหมดหมดนะฮะความดับหมดเลยหมดไม่เหลืออะไรเลยคืออัตถิฐาเองท่านก็ใช้ล่วงส่วนบาลีเองก็ใช้ล่วงส่วนในหนังสือพุทธานุพุทธประวัติเองอนุพุทธอนะ่ะก็ใช้ล่วงส่วนทีนี้พอเรามาสื่อสารกันเนี่ยบางทีเราเข้าใจยากหมายความว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไป เป็นการพ้นโดยไม่กำเริบอีกและจะเรียกว่าละหรือพ้นหรือว่าสละอะไรก็ตามสรุปว่ามันไม่ต้องทำต่อแล้ว น, นี่เรียกว่าล่วงส่วนแล้บวบทว่าปฏิสักกาอุปัซซีอันนี้ก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานโมศกาก็สละก็ไวยพจน์ของนิพพานนะครปฏิสักกะแปลว่าความสละคืนก็เป็นไวยพจน์ของนิพพาน ความสละนั้นก็มีสองอย่างคือบริจาคโวศกะความสละด้วยการบริจาคปกขันทะโวศกะความสละด้วยการเล่นไปหมายความว่าข้อแรกในความหมายเป็นโลกิยกแต่ว่าข้อที่สองเนี่ยความหมายไม่เป็นโลกุตระหมายความมาออกไปก็เหมือนกับนิสระวิบุต์นิสรนานินโรอ นิสนาิพานก็แล้วแต่จะเลกทีนี้ความสละทั้งสองนั้นวิปั ส, สนาชื่อว่าปริจารคบสักขะหมายความว่าเราก็ยังสละไม่หมดนะแต่ว่าก็ลดไปกิเลสก็ลดไปวิปั ส, สนานั้นย่อมละได้ซึ่งกิเลสและขันด้วยอำนาจตัทังกับอาหาร หละด้วยชั่วคราวเบื่อหน่ายได้ชั่วคราวสละความโกรธได้ชั่วคราวอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็ละไปมักชื่อว่าปักขันทวสศขะหมายความว่าความสละด้วยการแล่นไปด้วยมักนั้นย่อมแล่นไปสู่ปณิพนธ์โดยเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งมักนั้นชื่อว่าโวสศขะเพราะเหตุแม้ทั้งสองคือเพราะละขันและกิเลส โดยอำนาสมุเฉทตปาหารคือละได้เด็ดขาดเด็ดขาดก็อย่างที่ว่าเป็นตอนตพระโสดาบันก็เด็ดขาดระดับหนึ่งสกาตาคาก็เด็ดขาดระดับหนึ่งนาคาก็เด็ดขาดระดับหนึ่งพอเด็ดขาดจริงๆสิ้นเชิงร่วงส่วนก็คือพระอารหันต์กรณีเราจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยก็ไม่พิสดารขนาดนี้ ไม่อธิบายขยายความขนาดนี้แต่พระโมคคัลลานะท่านเข้าใจแล้วก็บรรลุมรคลเป็นพระหันในขณนะนั้นในวันนั้นคือจบประธรรมเทศนาก็บรรลุมรคลเป็นพระหรันก็มกที่ชื่อว่าปะขันทะนาโวสขะเพราะสละด้วยการเล่นไป พระจิตเล่นไปในความดับสนิทคือนิพพานธาตุเปรดนี้คำทั้งสองจึงจัดเข้าในมัดบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวิปัสนาและมัดทั้งสองนั้นย่อมชื่อว่าปฏิสการนุปัติสีคือผู้เห็นตามความสละคืนเพราะประกอบด้วยปฏิสกานุปัติสีวิปัสนาดังนี้โดยผู้มีพระเจ้าทรงหมายถึงบุคคลนั้นจึงตรัดดังนี้ อีกคำหนึ่งก็คำว่าภิกษุนั้นย่อมไม่ยึดถือไม่ยึดไม่ถือเอาไม่จับต้องธรรมชาติอะไรอะไรคือสังขารแม้อย่างหนึ่งด้วยอํานาจตัณหาเมื่อเพราะไม่ถือมัน่นย่อมไม่สะดุง้งเพราะความหวัดสวดุง้งด้วยอํานาจก้อนตัณหาหมายความว่าเพราะมีตัณหาจึงวัดสว่างดุง้งถ้าถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่หวัดสะดุง้ง ย่อมไปนิพพานด้วยกิเลสนิพพานด้วยตนฉีเดียวปัจเวคณาญาณของภิสูจนนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยในย่าเป็นต้นว่ากีนาชาติชาติสิ้นแล้วอุตติตังพรหมจรยังพรหมจรยู่จบแล้วกตังกิยังกิตติควรธรรมแต่ธรรมเสร็จแล้วนาไปรางอิทัตตาญาติประชานาติติกินอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนั้นพระผู้มีพระภาคยาวถูกพระโมคคัลลานะเทระทูลถามถึงปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นของพระขีณาสพโดยย่อแล้วจึงสัตว์ย่อเหมือนกันแต่ประสูตรนี้เป็นทั้งพระโอวาทเป็นทั้งวิปัสนาสมะพระเทระพระเทระนั้นก็จะเดินวิปัสนาในประสูตรนี้แล้วก็บรรลุมรรผลเป็นพระอรหันต ก็หมายความมาในวันที่เจนะ็ดอ่ะก็คงหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จคือคือพระเจ้าเสด็จโดยทิพปปยปิยกายหมายความว่าไปโดยกายทิพย์สอนเสร็จก็หายปปวูบไปละพระโมคคลานะก็เกิดศรัทธาภาษาธาตุสูงยิ่งขึ้นนะปรากฏวูบเดียวสนสนแสอ น, สอ น, สอนปั๊บเดียวหายแล้วทั้งมาทั้งไปเนี่ยไม่ปรากฏที่มาที่ไป คือหายไปตรงนั้นและแล้วก็ปรากฏตรงนั้นแหละก็ทำให้ท่านติ่นเต้นมากจริงๆแล้วกเกิดฉันทาอุสาหาก็ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดแล้วก็ตอนนั้นก็บวชมาได้เจ็ดวันก็บรรลุมกผลเป็นพระอันนี้เป็นส่วนตอนต้นๆของเรื่องพระโมคคัลลานะ ก็มาจากพระสูตรนะฮะมาจากพระสูตรไม่ได้มาจากอัตรกาถาชาดุไม่ใช่อัตรกถาติราคาถาในเทราคาถาเนี่ยก็เรียกว่าสัตถินิบาตหมายความมนิบาต ท, ที่ประกอบด้วยคาถา60คาถายาวเรื่องยาวอยู่ตอนปลายๆของเล่มมีประเด็นที่น่าศึกษาอีกเยอะ แล้วก็จะเห็นว่าในเทระคาถาเนี่คาถาไม่ค่อยตอนต้นๆเนี่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ระว่าสมัยนั้นท่านก็เป็นสาวมัญชนปูดแสดงอะไรก็ไม่ค่อยยากแล้วมันก็เข้ากับวิถีชีวิตฝัตพาา่พวกเทระคาถาพวกเทรีคาถาพวกพุทธวงศิมานวัตถุเปตะวัตถุ แต่ละข้อเนี่ยนะมันจะมีการช า, ชาดกฮะชาดกกอีกเรื่องหนึ่งพวกนี้เรื่องจะไม่ค่อยยากหมายความว่าสามัญชนทั่วไปฟังแล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้มีผู้ใหญ่ท่านบอกว่าโปรปรสูตรเหล่านี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านได้ให้ทานรักษาศีลทำบุญความธรรมกัน เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านทั่วไปนี่ฟังแล้วเข้าใจกตัมนองที่เราติดเรื่องทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องพระเวสสันดรเรื่องพระเวสสันดรนี่เรียกว่าคนบางคนก็ฟังแล้วผังอีกกันไม่รู้จักเบื่อหน่ายอะไรเลยเพราะอะไรเพราะความง่ายความง่ายขององค์ธรรมแล้วก็ สามารถปฏิบัติได้ถึงระดับสูงสูงขึ้นแน่นอนไม่ใช่เรื่องมรรคผลนิพพานแต่ว่าสามารถปิดประตูนี้ปิดประตูนรกได้นะฮะปิดประตูนรกได้โดยการถือตามปฏิบัติตามปฏิปทาของตัวละครบางตัวละครนะฮะบางองค์บางท่านในเรื่องเวทสันดนรชาด ท้างฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี